อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปาญนากาลิโหติสัมมินชิเตปาสาลิเตสัมชปชานากาลิโหตินะแล้วก็ยาวไปทีนี้ในท่านในทีนี้ท่านใช้คาว่านวิกีขัชชนโตวะขัชามิติปัชานติบทในอิทิบทสีท่านใช้คำว่าปัญชาติแต่พอมาในอิทิบทยอยท่านใช้ว่าสัมปัญนากาลิโหติ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 ตรงนี้คือความแยกขายนัคือการเฝ้าดูฉะนันความเหมาะสมความเหมาะเจาะในการเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเพราะว่าบางบางสิ่งบางส่วนถ้ามันเป็นไปตามระเบียบมันก็จะไม่ค่อยสบายแต่ถ้าคนตีความสบายกันหมดแล้วก็จัดระเบียบอะไรไม่ได้เพราะว่าจัสมมุติว่าไปจัดให้ฝรั่งมนนานั่งผ้าเพียบเนี่ยมันจะนั่งไม่ได้มันก็ไม่ยอมนั่งเพราะว่ามันมันมันปวด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 สวดถูกบ้างผิดบ้างตรงนี้ว่าเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินอยู่แต่มันไม่มีคาว่าอยู่ทั้งสองข้างเมื่อเดินอยู่ก็ให้รู้ว่าเดินอยู่เมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเดินอยู่ตรงนี้ต้องตัองตัวบทให้ชัดทีเดียวในแง่ของบาลีและแปลเนี่ยต้องแม่นยำในตัวบทจะสวดถูกบ้านผิดบ้างนี้ไม่ได้นะต้องแม่นยาชัดเจนตรงนั้นทีนี้พอมาบทต่อไปท่านบอกว่าปาษาลิเตสัมบินชิเต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 อุจาระปัสสาวะกมเมสัมปชานากาลีโหติรายละเอียดไปถึงขนาดนั้นนะอุจาระปัสสาวะกมเมสัมพราะวันรนึนหตรายละ้อน้ํ า, าห้องมนาดนั้นนะอุจาระปัแต่ละกรมสัมปชนาการช่หุิรายเลยียะไปถึงขนาดนัยนนะอุ่าระปันจะตเองมีอาการปิรากฏก่องนั้ะอาการะักอากากเบาปรากฏก่รนโหติราลเริ่มกําหนาดรู้ละอุจารู้สึวกเวสัมปชานักทรีนี้เราก็ตเองดไลีกีว่าหนักระดัจเนะปยเราจะไปหรือไม่ไปยละทอียันแค่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 ไม่พอใจพลิสีว่าพลิสีพาทำงานสอนแค่นี้ใช่ก็ทำได้ไปถึงบ้านไปเปิดดูเห็นมเมล็ดงามเมล็ดเดียวหวุวยอะไรไปอยู่ตั้งเจ็ดปีได้เมล็ดงาเท่าชีตาเอามาทำไมเฟี้ยงทิ้งไปเลยนะไม่เอาฉันรู้มากกว่า น, นี้เสียจแล้วอีกคนหนึ่งเอาไปเปิดดูโอ้ของดีของพลุสีประคับปะอง